ได้ปรึกษากันดังนี้ว่าคูดไม่ต้องรับประเคนหรือต้องรับประเคนภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตคูดที่ภิกษุหยิบไว้ขณะกําลังถ่ายนั่นแหละเป็นอันประเคนแล้ว จึงไม่ต้องรับประเคนอีก